การที่เราจะมาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกทรมานอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะไม่รู้แจ้งในธรรมไม่รู้แจ้งในธรรมคำสอนของพระเจ้าเข <c oughs> าบุคคลเมื่อไม่รู้แจ้งในคาสอนพระเจ้าแล้วมันก็ไปทําบาปบ้างทําบุญบ้างปนเปกันยวงนั้นเนี่ย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 ถึงแม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามแต่ว่าการภาวนานี่ยมันมันไม่ค่อยมีการสั่งสอนกันไม่มีการอบรมกันมีแต่พวกเบื่อหน่ายในการคลองละคลองเรือนคลองบ้านคลองเรือน แล้วก็หนีเข้าป่าไปประพฤติประปาธรรมเรียกว่าเจริญฌานอยู่ในป่าได้แก่พวกฤาษีดาบทอย่างนั้นมีการภาวนากันแต่ชาวบ้านพวกคลองเรือนทั้งหลายไม่เข้าใจนึกว่าการภาวนานี่เป็นเป็นเรื่องของนักบวชโดยตรงมันเข้าใจกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นผู้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 อยู่ในจิตของตนไม่ให้เติอมอันนี้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาให้ดีไอเรื่องข้อปฏิบัติสามประการนี่นะแลวมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติคือมัายความว่าบุคคลผู้ที่เบื่อต่อความทุกข์ต้องการความสุขอันเป็นแก่นเป็นสาร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 เพราะมันมีบาปนี่เองเลยมาขัดขวางเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เมื่อบุคคลเริ่มจัดการงาน <c oughs> การบุญการกุศลขึ้นมาอย่างนี้นะบางทีก็มีคนมายั่วยวนชวนให้ทะเลาะวิวาด เมื่อผูใ้ใดอดทนต่ออำนาจของความยั่วยวนอันนั้นไม่ได้มันก็เลยไปทะเลาะวิวาดกับเพื่อนเข้าไปจิตใจก็เลยมัวหมองด้วยความโกรธนี่เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่ไม่สำรวมตนไม่สำรวมจิตใจน ะ, ะเพราะว่าบุญกับบาปนี่มันเป็นศัตรูต่อกันและกันมาในชีวิตของบุตุชนคนเรา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 หรือว่าเห็นใครได้ประสบภัยพิบัติอันตรา ย, ยาต่างๆเนี่ยก็เกิดเมตตาสงสารช่วยเหลือเต็มที่อย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่นี่แหละข่าวใจบุญกระใจบุญไปอย่างนี้มาเนี่อ้าวถ้าใครทำอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจเข้ามาก็ไปต่อว่าต่อค้านเขากระทะเลาะกันขึ้นโกรธดีวัดบาดหมางถึงกันแลยกัน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 เมื่อความสุขนะั้นมันหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนในชีวิตของคนหนึ่งๆอ่ะ <c oughs> ไม่มากก็น้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแหละผู้ใดทำบุญมากก็มีความสุขมากทำบาปน้อยก็ได้รับความทุกข์ตามน้อยอย่างนี้นะีผู้ใดทำบาปมากทำบุญน้อยก็ต้องได้รับความทุกข์มากได้รับความสุขน้อย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 อย่างนี้กรรมนั้นจึงได้ตามมาสนองเอาทำให้คนลังเกียดเดียดฉันหาทางอิสาเบียดเบียนถ้าว่าผู้ใดมาทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตัวเองเข้าไปได้อย่างนี้มันก็จะไม่โกรธตอบคนนั้นเลยก็จะนึกในใจเลยและ ว, ว่าเราเอาโหสิกรรมให้นะเพื่อนนะ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 ถ้าว่าเหตุผลดังกล่าวมานี่ไม่เกมแช้งขึ้นในจิตใจของใครแล้วผู้นั้นจักไม่เบื่อบาปหรอกเมื่อเจอบาปมันก็จะทำบาปได้เลยอเป็นอย่างนี้คนบางคนนะ่ะไปวัดสมทานศิลเลว้วกลับไปถึงบ้านมันนี้ก็มีงานไปปักดำนากันบ้างบอไปเกี่ยวข้าวบ้าง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 ก็เอาส่งคืนพระไปหมดเลย <c oughs> อย่างนี้นี่มันก็จะสมกับว่าที่ท่านเล่านิทานมาเรื่องพรานคืนศีล น, นั่นแหละพรานป่าคนนั้นไปรับศีลจากพระมาแล้วมาบ้านเมียรู้เข้าเมีย ก, ก, ก็ไม่พอใจเลยบอกให้ผัวเอาไปส่งคืนพระผัวก็เอาไปส่งคืนพร ะ, ก, พระก็ฉลาดพอ โอ้สินนี่ของพระพุทธเจ้านู่นจะมาส่งอัตมาได้ยังไงอ่ะท้องเอาไปส่งคืนพระพุทธเจ้านั่นจึงค่อยได้เอาอุบาสกคนนั้นก็เดินทางไปแหละเมื่อพระ บ, บอกให้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นแหละอัน้นก็เดินทางไปเลยไปเจอพวกเปรต เ, เข้าไปหมู่หนึ่งเปรตเหล่านั้นก็ถามไทยว่าอุบาสกคนนั้นจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า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 บุญกรรมบาปกรรมนี่มันยุติธรรมเอาซะจริงๆนะเอ uh. เมื่อไปทําบุญวันแปดข้ามสิบห้าข้าตายไปบุญมันก็ให้ผลในวันนั้นแหละวันวันธรรมดาไปทําบาปบาปมันก็ให้ผลอ uh. มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ได้รับทุกทนทรมาน <c oughs> นี่แหละคนส่วนมากเท่าที่สังเกตเห็นมานะเป็นอย่างนี้แหละมีศีลมีธรรมแต่เวลาเข้าวัดเท่านั้นเองนะ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 ดึกดำบัรนั่นเลยแม้แต่สมัยครั้งพุทธเจ้ามาบาังเกิดขึ้นในโลกคนบางพวกบางเหล่าก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักเอาสิ่งของผู้เราเป็นของตนไปเล่นชู้โสชายอื่นหญิงอื่นถึงเป็นสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขา อ, อย่างนี้แหละพูดเทศพูดคำหยาบพูดโซเซียดเพิ่เจออะไร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 สิ่งที่สมมุติกันว่าศักดิ์สิทธิ์ชั้นต่ำเป็นที่พึ่งที่นับถือที่กราบไหวบูชาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อคนเหล่านั้นได้เกิดมาร่วมาศาสนาของผู้เทยเจ้านี่มันก็จึงได้แบ่งเป็นสองพวกนั่นแหละพวกหนึ่งเป็นพวกที่มีความเร่วมใสายยิ่งในคุณพระรัตนักไกลพร้อมด้วยศีล อันบริสุทธิ์อีกพวกหนึ่งนั้นไม่เลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยแล้วก็ไม่รักษาศีลอไม่เชื่อว่าศีล น, นั่นจะพาตนนายพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้คนมันมีอยู่สองในพวกอย่างนี้่ในครั้งพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดเอาไม่ได้หมดเลยเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมีกิเลสบาปประรำหน า, นานแน่นอยู่ในใจิตใจ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 บางคนหรือบางพวกก็ได้บรรลุโสดาบันหรือว่าสกิทาคามีอนาคามีตามบุญวัฒนาบารมีของตนบางพวกก็ได้สําเร็จอรหัน์แล้วก็ขอบวชเลยพวกที่สําเร็จอรหันะพวกสําเร็จโสดาสกิทาคาอนาคามนี่ขอบวชเลยก็มีไม่ได้บวชคลองเลือนก็มี อย่างนั้นมันมันแล้วแต่ผู้ใดได้ตั้งปณิธานความปรารถนามาอย่างไรแต่ชาติก่อนนั่นบางคนก็ตั้งปณิธานว่าได้พบพระเทเจ้าแล้วก็ขอให้รู้ธรรมของจริงแล้วก็ขอให้ได้บวชอะไรอย่างนี้นะเมื่อได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้พอได้ฟังธรรมคำสอนพระเทเจ้าบางบางพวกก็ไม่ทันได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็มีความเ่มใส ย, ยิ่ง ขอบวชทันทีอะไรก็มี <c oughs> บางพวกก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วถึงขอบวชก็มี <c oughs> นั่นแหละพวกใดที่ไม่มีวาสนาที่จะได้บวชก็กลับไปครองเลือน <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติตนตามคำสอนของพุทธเจ้าโดยในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> ทมของอุบาสกอุบาสิกาเพราะองค์เจ้าก็ทรงแสดงไว้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 นี่เพราะเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างว่าคุณสมบัติของอุบาสกวาสิกาเนี่ยข้อสำคัญที่แท้ก็คือศรัทธานั่นเนี่ยเมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยอย่างนี้นะก็จะเป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แลวก็จะไม่ถือมงคลตื่นข่าวคืออะไรมงคลตื่นข่าวนะข่าว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 ท่านละอาสวะกิเลส ข, ขาดจากสันดานนะท่านไม่อวดตัวเลยและไม่ยอมให้ใครไปโคฆษณาเลยอย่างนี้แหละสุดแล้วแต่ใครจะมองเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่เชื่อมงคนตื่นข่าวประร้ำประลาไปทั่วแล้วข่าวอีกหนึ่งกับพวกหมอดูหมอเดามาโคโฆษณาว่าถ้าหากว่ามา เอดูชะตาราศีของชีวิตเสียเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นประกอบอย่างไรทําอย่างไรถึงจะมีความสุขความเจริญได้อย่างนี้นะเขาโคตรทนายานี่ก็อยากจะมีความสุขความเจริญอยากจะร่ําจะรวยก็เลยไปพึ่งหมอดูให้หมอดูเขาทํานายให้อืมนั่นลืมลื ม, ลมไอความเชื่อที่ว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่ลืมแล้ว ไม่ได้ใส่ใจเลยอย่างนี้แหละเอ้าหมอเขาทํานายยังไงก็ต้องลงมือทําตามอ่ะว่าตนอยากเจร εν, ิญรุ่งเรืองอยากจะ้รวยนี่ uen. บางคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็อยากจะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่ไปดูหมอซะก่อนให้หมออพิจารณาจะซื้อเลขไหนมันถึงจะถูกอย่างนี้นะเอ้าหมอเขาจะไปยอมจนยังไงเขาก็ขีดนู้นขีดนี้เข้าไปแล้วเขาก็บอกไป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 เพราะว่าว ต, นตนทำความดีด้วยกายวาจาใจเว้นจากกรรมมันชั่วมีค่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะเมื่อไม่มีบาปไม่มีกรรมเวีนตามสนองเกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวันณะสุขะปละปฏิพันธ์ทนะสารสมบัติแหละมีอายุยืนยาวนา ม, มีสติปัญญาเมื่อได้ฟังทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุพระผลธรรมวิเศษได้ถ้าบุญของตนเพียงพอนะ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 เขตบุญเช่นนั้นน่ะเป็นเป็นเขตที่ไม่อุดมสมบูรณ์ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างที่ดินสําหรับทํานาทําสวนแล้วก็เป็นที่ดินแห้งแล้งไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม่ต่างๆเลยดินเป็นดินจืดชืดไม่มีปุ๋ยเป็นอย่างนั้นแหละแม่บุคลลคลเปิอดผูกพืชอะไรลงไปก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย ทันใดเหมือนกันเนะี่ยบุคคลผู้ที่ให้ทานแก่บุคคลผู้ยังเป็นมิจฉาทิสติมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่อย่างเนี้ยก็ย่อมไม่มีคุณความดีของผู้รับทานนั้นจะเผื่อแผ่แก่ผู้ให้ได้เลยเพราะว่าคุณความดีเขาไม่มีเขาดําเนินทางผิดไปเกิดความเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้เนะี <c> ่ย <oughs>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 ท่เจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานมาได้ตั้ง2 5 0พันหตามอยู่ถึงไม่มากก็เรียกว่ามีอยู่พอประมาณทีเดียวแหละในยุคปัจจุบันนี้นะ่ะจะเป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกวาสาิกาก็ดีก็สนใจปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติกันพระภิกษุสามเณรก็สนใจปฏิบัติ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 ต้นไม้มันก็ยังต้นไม้ที่มีผลมันก็จะงอก ง, งามขึ้นได้ตามกำลังตามกาลังรสชาติของดินหรือว่าสิ่งที่อำนวยผลให้แก่ต้นไม้นั้น <c oughs> ก, ก็คงเป็นเช่นนั้นแหละการบาเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่แก่ท่านผู้มีศีลผู้มีธรรมอันดีงามถึงแม้ท่านจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแต่เมื่อท่าน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 ก็เชิงปลูกลงไปอ่าอย่างนี้เมื่อปลูกลงไปมันก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปก็งอกงามเจริญขึ้นได้ตามกำลังอย่างว่าอันนี้ฉันใดท่านผู้ประพฤติทมในโลกนี่ก็เรียกว่าเพียพรพยายามละกิเลสตัณหาอันเป็นสิ่งที่ทำใจให้มัวหมองเป็นทุกข์นั่นแหละให้เบาบางออกไปจากกิจใจเหมือนอย่างคนเขาปลูกพืชลงในดินเขาต้อง ปรับดินนั่นให้สะอาดไปเสียก่อนอย่างนั้นแหละปลูกขึ้นลงไปก็จึงงอกงามได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าพอประมาณได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคุณสมบัติของอุบาสกวาสิกาห้าประการนีนะ้ผู้เป็นทายกา ย, กายิกาควรศึกษาควรจดจำเอาไว้ให้ได้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้เคร่งครัดทีเดียวแล้วก็นว่าเราจะได้